สวัสดีครับวันนี้เป็นเช้า ว, วันจันทร์นะครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีชัยพิบาลนะครับเรากลับมาอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่ห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะครับหลังจากที่พักไปสองวันก็คือวันเสาร์ซึ่งเป็นเรื่องเล่าและวันอาทิตย์ซึ่งเป็นข้อคิดในเช้า ว, วันนี้นะครับเราจะมาดูถึงเรื่องเดิมก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องการเป็นเครื่องจักร ต, ตายของพระเยซูวันนี้จะพูดในหัวข้อที่ว่าข้อพิสูจน์ จากศัตรูของพระเยซูเองพี่น้องครับพวกศัตรูของพระเยซูนั้นไม่เคยให้ข้อพิสูจน์ลบล้างเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายตัวเขาเองนั้นจึงกลายเป็นข้อพิสูจน์ที่สนับสนุนว่าพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายเพราะเหตุที่ว่าเขาปิดปากเงียบครับการปิดปากเงียบเนี่ยเป็นข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งที่สนับสนุนว่าพระเยซูเป็นขึ้นเหจากความตายเราจะรู้ครับว่า พฤติกรรมของพวกเขาหลังจากที่เปเยซูเป็นผู้ใอ้ความตายแล้วเขาทำไงบ้างนะครับพวกศัตรูของรปเยซูนั้นปิดปากเงียบครับในกิจการบทที่สองนะครับลูกกาบันทึกถึงคําเทศนาของเปโตในวันเพนเทคสเตเปโตได้ประกาศถึงเรื่องการเป็นผให้ความตายของพระเยซูนนั้อย่างกล้าหาญทีเดียวแต่ไม่มีคนยิวคนไหนเลยที่เป็นศัตรูของพระเยซูนั้นได้พิสูจน์หักล้างคําพูดของเขาได้นะครับ คำเทศนาของเปโต้พูดชัดเจนครับว่าพระเยซูเป็นที่มีความตายแต่ยิวนะครับคนยิวที่ตึงพระเยซูนั้นไม่สามารถพิสูจน์และหักล้างคําพูดการเป็นที่มีความตายของเปซูของเปโต้ได้พี่น้องครับเพราะเหตุใดครับก็เพราะว่าถ้าใครต้องการลบล้างคําประกาศของเปโต้อุโมงค์ฝังศพที่ว่างเปล่านะครับที่ถูกเปโต้ใช้เป็นรรมายาหลักฐานก็อยู่ตรงนั้นก็ไปตรวจสอบได้ นะครับอย่างไรก็าตามครับทุกคนรู้ว่าพระศพไม่ได้อยู่ในอุโมงเรื่องการถูกขโมยก็พูดไปแล้วนะครับว่าคงจะเป็นไปไม่ได้เรื่องการที่ไม่ถูกขโมยมันก็ต้องมีประสบอยู่แต่ว่าเนื่องจากไม่มีประสบครับนะครับการถูกขโมยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าพระเยซูไม่ได้เป็นกับในความตายนะครับนี่คือกิจการบทที่สอง กิจการบทที่25ครับเราพบว่าเปาโลนั้นนะครับเปาโลตอนนี้ไม่ใช่เปโตนะครับเปาโลถูกจำแข่งจําคุกไว้ในเมืองเซเซารียานะครับเฟสตัส hmm. นะครับเฟสตัสก็นั่งบัลลังก์พิพากษานะ mm hmm. ก็เลยสั่งให้พาเปาโลมาเปาโลมาแล้วพวกยิวที่ลงมาจากเยรูซาเล็มก็ยืนล้อมไว้ครับแล้วก็กล่าวกล่าวใส่ร้ายนะครับกล่าวข้อหา ข้อหาระดับอุอกฉกกันเลยครับพระพรีใช้คําว่าอกฉกันเลยนะครั บ, ก, ก, ก, ลรบกล่าวข้อหาอุกฉกกันใส่เปาโลหลายข้อซึ่งพิสูจน์ไม่ได้มีอะไรพิเศษนักเลยครับในข่าวประเสริฐของเปาโลที่ทำให้พวกอยู่ําคานใจนั่นก็คือพวกเขานะครับเลี่ยงไม่เอ่ยถึงเมื่อกล่าวหาเปาโลไม่เอ่ยถึงคืออะไรครับเรื่องอะไรครับเรื่องการเป็นขึ้นกัอความตายนะครับ เฟตดัสอธิบายคดีนี้แก่กรัตรกอาพพิปป้าเฟดดัสบอกทัดเตีนเขาว่าประเด็นหลักของคดีนี้เป็นเรื่องที่ชายคนหนึ่งชื่อว่าเยซูเขาตายไปแล้วแต่เปาโลยืนยันว่ายังมีชีวิตอย่าง้รครับพี่น้องครับข้อหาอุกจักร์ใส่เปาโลพิสูจน์ไม่ได้ในขณะที่เปาโลได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องของพระเยซูซึ่งเป็นขึ้นเหนืความตาย พวกยิวที่ลงมาจากยิวเซียนั้นไม่สามารถอธิบายได้ว่าเหตุใดอุโมงค์จรงว่างเปล่าพี่น้องเห็นไหมครับพวกเขาโจมตีเปาโลเรืยอข้อหาต่างๆนานาและหลบเลี่ยงนะครับพยานหลักฐานต่างๆที่สําคัญในการเป็นที่หนความตายเสียนะโดยลถตัวไปด่าว่าเปาโลนะครับใช้อคติมามากล่าวข้อหาอุกฉกกันและหลีเลี่ยงไม่นําเรื่องพยานเงียบคือเรื่องอุโมงค์ฝังพศพพระเยซูมาอภิปราย มาพูดคุยมาพิสูจน์เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับก็คือการหลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงที่จะไม่พูดถึงเรื่องการเป็นด้วยความตายการหลีกเลี่ยงนี้เองนะครับก็คือเป็นความเงียบนะครับความเงียบของพวกยิวนั้นนะเป็นพยานพิสูจน์ที่กังกว่าเสียงประกาศของคริสเตียนอีกครับนะมีคนพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นความเงียบของคนยิวนั้นก็เป็นพยานหลักฐานนะครับ พญานักฐานว่าพระเยซูนั้นเป็นขึ้นมาจากความตายครับนะมีาศาสตรา า, ารคนหนึ่งครับเขาพูดอย่างนี้ว่าข้อพิสูจน์ง่ายๆเพื่อหักล้างข้อเท็จจริงเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายหรือแม้แต่การคัดค้านที่เห็นจริงเห็นจังในเรื่องนี้ก็เพียงพอแล้วครับที่จะจัดการคริสตศาสนาให้ดับสิ้นไปและพวกเขาก็มีโอกาสเหลือเฟือที่จะทําถ้าหากเป็นสิ่งที่ทําได้ลองก็เห็นไหมครับว่า การพิสูจน์นะครับเพื่อจะหักล้างการเป็นในความตายนั้นก็สามารถทําลายคริสเตียนทั้งศาสนาได้หมดแต่เขาไม่สามารถทําได้นะครับไม่สามารถทําได้พี่น้องครับการโต้แย้งของคนยิวกับคริสเตียนนั้นนะครับในเรื่องการเป็นในความตายนั้นปรากฏอยู่ในพัฒติคุณมาโดยตลอดนะครับแสดงว่าคงมีการตรวจสอบแน่นอนครับและพวกยิวที่โต้แย้งจะต้องสนใจหาข้อมูลและเก็บรายงานไว้ แต่ในที่สุดนะครับเราแน่ใจได้ว่าฝ่ายตรงข้ามกับคริสเตียนนะครับก็ยังยอมรับว่าอุมโมงค์ฝังพเะเย์ูนนั้นว่างเปล่าและการโต้แย้งนะครับก็เพียงแค่อธิบายความจริงนะครับออกไปในแนวทางของตัวเองนั่นเองเห็นไหมครับพี่น้องครับในขณะเดียกันครับการเป็นข่ความตายนั้นกลับกลายเป็นรลากฐานเป็นหลักข้อเชื่อที่สำคัญที่สุดของขีตจักร ถ้ามีความสามารถหรือมีการพิสูจน์รบล้างเรื่องนี้ได้ก็สามารถกระบวนกาทำลายกระบวนการทั้งหมดของคริสเตียนได้การประกาศต่างๆก็ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปการเป็นคริสเตียนก็ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปเพราะว่าทุกอย่างวางอยู่บนการหลอกลวงของพวกสาวกหมดแต่จริงๆไม่ใช่ครับทุกอย่างวางอยู่บนข้อเท็จจริงและความเป็นจริงทั้งสิน้นการหาขอ้อพิสูจน์รบล้างเรื่องการเป็นขึ้นความตายตลอดทั้งศตวตรรษนะครับหนึ่งร้อยปีแรกนะครับ คริสเตียนถูกข่มขู่ถูกทุบตีมีความพยายามที่จะทำลายหลักข้อเชื่อที่สำคัญที่สุดเรื่องนี้นะครับหลายหลาคนถูกโบยถูกฆ่าเพราะความเชื่อของเขานะพี่น้องครับอันที่จริงวิธีง่ายๆที่จะปิดปากเขาก็คือนำพระศพพระเยซูออกมาเป็นหลักฐานครับค้อนออกมาให้ได้แต่ไม่มีใครทำได้ครับพี่น้องครับข้อพิสูจน์เรื่องการเสียอมคือความตายนะที่โน้มน้าวจิตใจได้ดีพอๆกับอัครทูต นะครับกับคําพยานก็คือความเงียบของคนอยู่นอกจากเขาเงียบแล้วนะครับในบางตอนบางด้านนะครับเราก็จะเห็นมีบางคนบางกลุ่มก็เยาะเยะ้ยถา่ว่าทําไมถึงเยาะเย้ยครับเพราะว่าเขาปิดใจครับเพียงครับในเช้าวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องนี้นะครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในกรุงเอเธนนะสิ่งที่เกิดขึ้นในกรุงเอเธนปรากฏอยู่ใน พระธรรมกิจ ก, การบทที่สิบเจ็ดนะครับข้อสามสิบสองนะผมจะอ่านให้ฟังนะครับขั้นคนทั้งหลายได้ยินถึงเรื่องการเป็นขึ้นใความตายแล้วบางคนก็เยาะเย้ยพี่น้องครับขณะที่ท่านอคาทู์เ ป, ปาโลพูดกับชาวเอเธนเรื่องพระเยซูเขาไม่มีคำตอบนะครับต่อคำพูดของท่านเปาโลก็เลยตอบสนองด้วยการหัวเราะเยาะครับ โดยไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องจริงเรื่องจังเพราะว่าเขาไม่เชื่อครับไม่เชื่อว่าคนตายแล้วจะเป็นขึ้นมาได้ยังไงนะครับคุยง่ายว่าแก่นแท้นะครับเขาบอกว่ายาลข้อเท็จจริงมาท่าใไม่เชื่ับสนเลยฉันตัดสินใจไม่เชื่อเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็น presupposition ครับก็คือตัดสินใจไม่เชื่อเรียบร้อยแล้วก็คือมีสมมติฐานอยู่ในใจแล้วนะครับ ทำไมเปาโลจึงพบ ว, ว่าชาวกรีกที่ไม่เชื่อมีท่าทีแตกต่างจากชาวยิวที่ไม่เชื่อก็เพราะว่าเยรูซาเล็มนี่มีอุโมงค์ที่ว่างเปล่าครับนะพวกเขาที่เป็นคนยิวนะก็ปิดปากเงียบครับพูดไม่ออกเพราะหลักฐานมัดชัดยืนยันชัดเจนครับแต่ในกรุงเอเธนหลักฐานอยู่ไกลครับกรุงเอเธนสนี่อยู่ห่างจากเยรูซาเล็มนะครับเยอะแยะนะครับมากมายทีเดียวอุโมงค์ที่ว่างเปล่าจึงไม่ใช่เป็นสิ่งพิสูจน์ที่รู้กันทั่วไปของอพวก คนเอเธนสะ์ผู้ฟังของเปาโลในเอเธนกลุ่มนี้ไม่ได้ตรวจสอบเรื่องราวให้แจ่มแจ้งได้ตัวเองนะแต่ปิดใจที่ก่อนครับแทนที่เขาจะค้นคว้าหาความจริงนะครับเขาพอใจเพียงแค่บอกว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องเล่นๆ เ, เป็นเรื่องอวิชาเป็นเรื่องการพูดย่อๆเล่ น, เลนๆเฉยๆพี่น้องครับนี่คือการฆ่าตัวตายทางปัญญานะครับพี่น้องนี่คือเรื่องสําคัญครับ เพราะหลายหลายครั้งทีเดียวคนปิดใจนะครับเพราะเหตุที่ว่าเขาไม่เชื่อเรื่องนี้วิธีการแก้ก็คือว่าต้องเปิดใจครับแต่ถามว่าเขาจะเปิดใจได้ยังไงคําตอบก็คือต้องอธิษฐานนะครับขอพระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์ที่จะเปิดใจของผู้ที่ฟังเรื่องราวของพระเยซูนะครับการที่คนคนหนึ่งนั้นปิดใจนะครับ นะหรือว่าตัดสินใจเรียบร้อยแล้วลมีพรีซับโพซิชันนะครับมีสมมติฐานในใจเรียบร้อยแล้วมันนํามาซึ่งความไม่เชื่อครับนะและความไม่เชื่อเนี่ยคือการฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายทางปัญญาโดยแท้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเปิดใจครับหลายหลายครั้งทีเดียวในหลักข้อเชื่อบางบางหลักนะครับบางคนก็ปิดใจครับหลักข้อเชื่อบางอย่างนั้นสําหรับ คนบางคนบิดใจเพราะว่าประสบการณ์ตัวเองไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็เลยไม่เชื่อนะครับคนเหล่าเนี้ยตั้งสมมติฐานนะครับไว้ล่วงหน้าก่อนทําให้เขาไม่สามารถจะมีประสบการณ์บางสิ่งบางอย่างกับพระเจ้าได้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเปิดใจนะครับอย่ามีพีซัพโพซิชันอย่ามีสมมติฐานล่วงหน้าอย่ามีหลักการของตัวเองล่วงหน้านะครับแทนที่จะเป็นหลักการของพระเจ้า แทนที่จะเปิดใจยอมรับการทรงนำของพระองค์และประสบการณ์หลายๆอย่างนะครับที่เรายัางไม่เคยประสบนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราโดยการทรงนำของพระมีน้นำสุดก็เป็นไดน้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับและช่วยผมช่วยท่านพี่น้องทุกท่านจะมีประสบการณ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราอาเมน